ท่าป้าาป้าท่านหาจารยเหลาวันนี้ก็ขอมาปราบเรื่องที่โซชาโกสามีตอนที่สามเพราะว่าตอนที่จบลงมาใี่ร้นนอนนั้นตรหนึ่งถึงตอนที่หมดพระอันมันเทรัเมื่อรับการละกัปนนาเจปันดาตะกุลแห่งหลายมีนามวิชาขามห า, หม า, าวิชาวลานาฬิกาเีเป็ีต้น แล้วก็เพื่อเอาสายพระที่มาจากที่ตตามประมาณ500หาา้รรราร้อยลูกว่าันาจะเข้าโอสาเนาสมมาสมพรเจ้าแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าเข้าโอสำเนาสมมาสมพกะเจ้าเพราอาสาพระอัป ค, คือริ้วโซชาวโอสามผีถึงห้าร้อยลูกลบอกว่าซึ่งกันอะไรกัน แม้จสสาหรับทรงทานบรมยายาสันดาสัมมาสัมพุเจ้าเองก็จะห้ามรามเททั้งหลายลเยาลายเา่านั้นก็ไม่เชื่ยความจิท่นหลายผู้รับฟังว่าท่านทั้งห้าร้อยรูี่ยเาคนตั้งไว้ในที่อะไรเนที่จําบอนรว่าในสมัยนั้นเขาอยู่กันกันกบพระพุทธเจ้าเอง ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเองเบียดในพันธะของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงเตอนทรงสอนเขาก็ไม่เชื่อฟังให้มีการสามัคคีซึงกันและกันคำเตัวนใ้เอาเร็จพระพเกวันเลมัสตาจันดาสัมมาสมพุทธเจ้าหรือมิตรสามัคคีเดียกันขอว่าทานอภัยที่รับเจ้าหาว่าผมขอพูดยากเลย ว่าขันดานเลวๆอย่างนี้จนอย่า ง, า น, งนี้จะทันอะไรมันเปันขันดันเลวที่เรหน้าจะคบหาสมาคมด้วยความจริงคนเลว อ, อย่างนี้แม้จะชื่อโผล่ก็ไม่หวาดจะได้ยินถ้าท่นานจะถามว่ายังมีงกิเลสอย่างพวกอัน่างนี้ เพราะว่าตว่าจะมีกิเลสก็ไม่มีกิเลสก็ตามแต่เมาไม่อยากถึงความชั่วเขาไม่อยากให้ความชั่วเข้ามาติดตัวผมเพราความชั่วนี้นมามาเหมือนกับสุนัขเห่าถ้าเราเอาใบตองมาเหาะสุนัขเห่าความจริงใบตอง น, นั้น็ใบตองสดมันยังไม่เหน่าดังนั้นเลือดของใบตองก็ไม่มีอะไรจะซึมลงไปได้ แต่ถึระนั้น ก, ก, ก็ดีถ้าใบตอไมหอสนักแนามาเราตของสนักเนามาก็จะทับของเขา ม, มองอยู่ทีใตองนั้นตอนนั้นแลน้วใบตก็เรล่าเหมืน ใ, ใรบด้วฉันเราของสมบัติโบราณเราไปมาสะสมมาจนเก่า ว, ว่าอาตุวนาจะพาลา น, นางังปันดิต า, นานจะสวราปูชาจะปูชนียา น, นางังอุตามังร ม, ตมุตม เพื่อจะเปรื่องความว่าจงาคอบคนผ่ามขันดานชัวน่วยองคข้าใจบังคับกู้มีความรู้ดีมีความเป็นผู้ดีจงดูชาบอกคนที่คนดูชาไม่ยองนี้เราคูยกันว่าการรักษาไ ม, ม่ดูฟังไมทันดนมีย น, นพูดอย่างนี้สหับผู้เสีากศมสีนโย ก, กาพุตุปปาอุ หมดในพันธะคำที่ตัวเองไม่แต่ความสามัคคีกันขึ้นเพราะพเจ้าห้ามตามเขาไม่ฟังแล้วก็วังจะเป็นตัวอย่างที่เราจะเอาเป็นตัวเีบรีตัวอย่างอะไรยัแล้วคนนี้เขาก็จะได้อะไรเร่องคือช้าวัานเขาไม่กินข้าวเขามีบาคนเท่านั้นที่เป็นปัจจที่ยังเ้องอยงโยกกจะหัวโตไปตามๆกัน มีสัญญาณเลยอย่างนี้นั่นคือว่าเราไม่โกรธไม่โกรธท่านเพราเราไม่ต้องการอาการอย่างนี้ที่วันนึงขึ้นเลยขอบเกลื่มมอนเขาพระพุทธศาสนาเมื่อวันหนึ่งท่านเลยขอเกื่อนท้งวงชนชาวโลกทั้งหลายถ้าความอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยขอความเร่าร้อนไม่ใช่เป็นปัจจของความสดเรต้องขอท่านทั้งหลาย ย่อจงจันคุตภพมาพมาเลยว่าจ่องยาคบคนทานจ่องคบตะลันตบูชาด้วยคนด้วยคนมีชานม้พระพุทธเจ้าพระพอเขายางไมชาเลยต้าคิดไหมไอ้การ่านี้ควหรือไม่เอ น, นเล้วเรื่องนี้นต่อไปเาามื่อพระอานไมได้รับพระบัญนาจกบรรดาว่ า, า, ย า, า, ยยาโยนทางหลายที่ที่บรรด า, าเล่า เม่อลาเราสองห้าเรารวบขนำทางไ ป, ปงมามวงพเจ้าของไปเดินทางไปดังไรสุดยอกเราเราจะเข้าเขาก็ตุรัสเพราว่าสร้างบาลีวายกะยามปกติเธออยู่ยามปกติเจ้าระวังภยัยเวลากลางคืนเอาเงินถือไม้ท่อนใหญ่เดินยามระวังทสัเราปัดทางไหลจะมาทำลายหลวงพ่อเจา้า มีัราานแค่นจช า, า, ช า, จชาความดีของพุตราษษษษษแตทีสุชา ต, ตชาาาษษิต้องคือตคนไม่วัดรชาความดีขพระบุตรเจ้าต้องิดเมื่อคนที่กำลังเข้าเทวาคามัยท่านวมใสเข้าไปคิดจะทำอะไรป ท, า, ทานนั้นไอ้แขงอาจจะมีลิงใหญส น่ว่าพระวลนบนี้ที่ทาพระพุ ท, จ ท, ท, ทเจ้าพลันบาปตั้งมาโยป่าแความจริงท่าเชิงนี้เขากล่าวกันว่าเป็นพรบโพธิสัตว์ที่มีโอกาสได้กลับเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่อริยะเมตราไปในช่วงห้าองศาที่ขับนี้จากพระพุทธเจ้าเลยสิบเอ็ดอง เม่อสมเด็จพระจอรอยทรงทอดพระลนตรเห็นเจ้าจงลดท่ามาปาลีลายกะอย่าทำเหล่าเระองค์ขมขื่นพระองค์นั้นเป็นอวถาคือเป็นผู้บัมโรลผู้ปฏิบัติตามข้อเร่าพระอว่ารเป็าบัมโรลเช่นปาลีลายกาควรวางไม้ตั้งเจตนาปราธนาดีจะขับรับบาทอ่บริ มีนาพระพานนท์ใก็ไม่ยอมให้ท้าให้จะไม่เดินตามเข้าไปคิดในใจว่าถ้าหาว่าพระองนี้เอาบริขารเครื่องใชข้ขอตนวางในสำนักคือว่าในว่าท่านที่เป็พระเจา้าระมาทำใดเราจะทำอันใดเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนรวยตามธรรมดาคนดีนี่เข า, มาเมตตาเคารพคุบบายาจา เขาจะไม่วางขลองเช้ของตัเาบนที่นั่งคนดีที่นอนที่รอัศนาเขาโูบาอาจารย์่ต้องคิดนะสร้างเป็นปรนอย่างทอย่างนั้นเมื่อคนที่เป็นชาวบ้านบางคนบางทีมานั่งคนนั่งเขาอีกอยู่เขาก็นั่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เป็นโูบาาจาเขาหรือผเคยเห็นหนุ่บ่อยที่ที่นั่งนั่งแล้วเขาอีกห น, นึ่งมัที่จับบ้าพระนั่ง เป็นอาสนะสหับพระแต่มาถึงมันนั่งคอยห่างสบายโดยคนเหล่านี้ผมไม่เียเจอเขาเพาะผมสงสารสงสารอะไรสงสารรถไจของเขาไม่มีความรู้สึกจะได้ความดีด้วความชั่วถ้าใจมันชาไม่รู้าอาเรื่ออะไรชั่วไม่รู้ความชั่วที่เขาไปินสนใจมากเขาเข้าใจว่าเป็นความดี คนราเพื่อนี้เปงคนขายสน่ห์ไปที่ไหนก็หาคนรักยากเพรานั่ว่าเมื่อพระอง์เข้าไปเป้ปา อ, องสหับพระพุทธมีพระธาตก็มาทีวัยวมามาพระธรงมแล้วบ้าลทวายมาแต่การออกสับพระพุทธมีพระธาตุยาวนี่พระเดชะจารย์นี่จะบอกคนนี้ต่ว่าตามธรรมดาบกคนหลหลายที่มีความเคารพ ตัวผู้บาดเจ็บเลยเขาไม่วางของมือัาสนะของมืได้เจ้าพ้าใชาันนไม่เห็นว่ามันมีความเคารพตัวสมเด็จพระพูทมีตาผ้าเจ้าอย่างนั้นก็เลื่อนสายเมื่อพรานลงท์เไปแล้วรี้ว่าองค์สมเด็จระจอมไปรแล้วจะนั่งอยู่ไม่ดีคนทรงทนลงสมเดพระพุมีพาผาเจ้าจะเลหนึ่งพระพระตาจะถามว่าอ่านนั่นผาตัวก่อนอันน เวลานี้เธอมาคนเดียวหรือเพราะอนนก็ดีตฟ้องกวราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามากับพระห้าร้อยรูปด้วยกันหลวงพ่อเดียวค่ะดเพราะเธอมาจากที่ต่างๆศาสนาใจากั่น เ, เทศการสมเด็จพระพูทมีพาะพาเจ้าแต่เมื่อเข้าไปไม่เห็นสมเด็จพระพุูธมี่าะ้าทเจ้าจะขอร้องให้ข้าพระพุทธเจ้ามาพามาลมาตกคั สมเด็จพระพที่สาๆๆา้ามารจะเรื่องเลยพระพุกธรจ้าจถามว่าอ น, นันทนานงก่อนอนนนนก็พระพวกนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนเหมือเม่อนอนนนนมีเลโทนออสมเดจพระจอมรวาสพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์่อเวลานี้พระองค์ต้องการจะให้ทูตทางหลายลราไม่เข้ามานราชการหรือไม่ที่้พักไปใขนะ้า ตัวนี้เป็นตัวที่แสดงหลายคนโดยกสดกายกันหมดไม่ว่าเท่าไราอยู่กับเพื่อนแล้อว่าอยู่กับผู้ใหญ่แล้ว่าอยู่กับคน น, บน้อยกว่าเราแต่ยังไม่เป็นเวลาที่ควรจะเข้าพบได้ถ้าใครเข้ามาหาเราก็จะต้องคิดอย่างชาญฉลาดว่าขอให้คนที่เขามานําพักไว้ก่อนถ้าไม้ไ่วเรากะไป ด, ด, ดูอน ว่าคนที่ท่านต้องการจะพบน่ะเวลานี้เขาสมายิีนี้พบได้อยางแล้วมีจิตอาสาอะไรไม่ใช่ว่าใครอยากจะพบใครแล้วก็ลีกนำเขาไปหานั่นมันเป็นจริยาของคนเลวมีการเลือกปฏิบัติเพอคน อ, อย่างพราะนั่นก็นั น, นนี่เป็นต้นจริยาที่ดีที่สุด มีความเคารพในสบายใจพระพุทธเจ้าก็คีอที่ชายตั้เองย้อนผอย น, น้ําได้หรือเปล่าในเวลาที่รพระพุทธเจา้าลุกผ่านไปแล้วเวลานั้นตียงที่บัทับก็ดีอาสนะก็ดีของใช้ของสังฆมุขได้ดีท่านเคยปฏิบัติเจพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระทรงมาชื่อโยกเชียงรหยท่ยทยก น, ใ น, ในทก็ทำเหมือนกันอย่างนั้น เวลาจะเข้าไปห่ากกราบเตียงเวลาจะออกมาท่ากราบทันท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะส่งรอยู่จิจงยอย่างนี้ถ้าเป็นธาวบ้นเราเขาถือว่าเป็นจิญาที่มีเสน่ห์ไท่านไหนไม่เอาข้าวตพเขารักเพราะว่ามันเวลาที่บาบะไปด้าเ ร, ราหรอกเจ้ากับพระพุทธเจา้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ทราบนามประเทศไทยของเร วัะเวลามีเาเา่เขาเอเข้าเฝ้าแ ล, ลายย้วยางเพื่เธอเข้าอยู่ข้าืนอเข้ามาได้เพียงรูเดียวตอนนั้นเสด็จไะสัมมาสัามพุทธเจ้าจะไมมีพระพุทธทีตากัดวาถ้าหนถ้เท่าอย่างนั้นเธอจะเรียกพร ะ, ท, ระทั้งหลายที่เข้ามาเถิดประทานคุณญาติถ้าเธอได้จะเลยสั่งให้วัาบังทรงทั้หลายล้วนั่นเขาเ้าเฝ้า พี่ผู้เรานั้นเข้ามาถวายมาโค้งอลงั้นก็เป็นสัมมาจารย์แล้วก็นั่งอยู่นะที่ค้ยฝวงข้างหนึ่งองค์สังกัดพวกผู้มีพระท้าเจ้าก็ทรงทำปฏิสินถ่ายกับเธอทั้งหลายแล้วผู้นี่เสกทัหลายแลน้นกราบคุณว่าข้าแต่หลองพ่อโตเพราะผู้มีพระท้าวเจ้าเป็นหลวงพ่อเจ้าอันสุ ข, ขุมแล้วป็นรสัตว์อันสุ ข, ขุม พระองค์เด็กเยือนประทัานา world, istas, ทนททบนั่งพระองค์เดียวตลอดใจมากทำ bullied. สิ่ที่ทำได้โดยยากสำหรับผู้ทำวัดและปฏิบัติคงจะไม่มีผู้ถวายน้ำสองทาวายน้ำาระพักอ่าเลื่อมผู้ถวายน้ำสองประพักอนดีเช่นเอยจะหาไม่ได้เพวาเดียวขาดคนละผู้รรมชาติฉลาดคงจะลำบากมาก งองคสําเร็พระพุทธมีพระพายเจ้าลยสองสันดับซึ่งคนแต่ละที่เคยด้ควอมที่สุทัลายที่ต้งงองเปรียบคเราอันต้ อ, อยายช้ามีนามว่าปาริรตรยกะทําแล้วอันว่าคนคนใดจะหายเห็นปานนี้อยู่ด้วยกันตัวการสมควรเมื่อไม่ได้สหายเห็นปานนี้ความเป็นอยู่ก็เยวร็า ย, ย, ยกว่า นี่หมายความว่าถ้าเราอยู่เมืองโกสัมพีพรห้าร้อยอยู่ไอ้ศ์พระห้าร้อนั่ก็แปลว่าจังไรพระห้าร้อยดีก็มีคนไปที่ทำในองค์สาเร็จพระจอมไตรปิฎกสร้างสันดาเดตมาสมเด็จออกมาก็เพราะว่าพระห้าร้อยเป็นคนไม่ดีเป็นเจ้าหายที่ไม่สุ้ครับสมเด็จพรามันพรมันรารยาทของพระนิพพอไป บาเดลายะกะแจความจริงผงคิดว่าขึ้นชื่อว่าพระโคดิสัตย์ท่านบาเิลายะกะนี้ท่านเป็นพระโคดิสัตเมื่อถึงโอกาสพบองค์สมเด็จพระสงฆมบัติโสอะผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจเปละยกากับงมมากกว่า ในความจริงเมื่ยทโไมชอบใจเสืนาพระมงโก้ทำสือปฏิบัติไม่มีสมดสเด็จพระเว่าถีงก็ไปตัวไม่เคยโกงแตว่าถึก็ไปได้พระที่นั่นท้องไปไหายก็มีอยู่อ้ี่องค์สมเร็จชอบเรามาโคล น, นสาเรา็จไปป่านี่ไรยะกะตั้งใจจะโกรธชามากกว่ากันมั้งเป็นความเห็นของมนะไอ้ชาเชื่อ น, นี้เป็นตัวคนท่า หลังจากนั้นแล้วสมเด็จพระสังฆราชได้กล่าคาถาเสนาธวรว่าบุคคลในได้จะหายเพื่อมีปัญญารักษาตนมีปันยาทรงจำมีคนทรรมเนียบรวยอย่างประโยชน์และสำเร็จไม่เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วบุคคลผู้น้นจหายแห่งชนนี้เป็นกายทุมคนคนรมีใจยินดีมีสติครอบงำ อันตรายคนัีใจยืนดีในสติเพราะว่าเขาพวกนี้ยอมครอบงำอันตรายกันได้ทีื่อคอยเบดเบียนรอบข้างทำปัวเสียแล้วแหมข้าวคำมีความลำคันจริงๆถ้ามีเสียงเล่ให้มันติดต่อกันก็ไม่ได้เลยฟังไม่ต้องเลยความกัละทีเพระ น, นั่นแหละบุคคลคนใดจะหายให้ปันที่คนมีใจยืนดีมีสติครอบแงำอันตราย เพิ่มคอยเปลี่ยนรอบข้าวถ้าปวดก็ได้เชื่อไปแต่สปหายนัน้ถ้าบุคคลไม่ได้สหายสิ่ง น, นี้ต้อมีปัญญารักษาตนมีปัญญาสองจำมีคนธรรมุษทื่ยังประโยชน์เขาสำเร็จไว้เป็นพู่เที่อไปได้วยกันแล้วบุคคลนั้นคนเชื่อไปคนเดียวดีกว่ามืนกับปัญา เหมือนกับราชาพระแข้นที่พะ อ, องค์ทงจะนันและะ้วส็จไอต่คนเดียวเหมือนกับญาชาชื่ว่ามาตัางคะที่ยวไปอยู่ในป่าแต่คนเดือวการเที่ยวไปคนเดียวไป็นสุขว่าความเป็นผหายไม่มีและเ็ราคนตายบุคคลที่ไม่ได้เห็นอะไระหายหรืป่านนั้นควรมีความคุ้นฝายน้อย เที่ยวไปพูดเดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเหมือนขุยยาช้างึ้่มาแตงค่ะตนมีความขนไยน้อยเที่ยวไปแล้วไม่ทำบาปเหนื่อยมัมงขั้นบนบวนเลยกันเหนื่อยิงๆแคไม่อ่านตามว่าเขาจะข้ามไปไปแล้วฟังง่ายๆว่าถ้าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม เรามีหายไมีประโยชน์ผู้ตว a j a ที่เป็นสุภาษไม่พูดเพื่อเจอื่ส่วเด็ตามข่าวที่ผมพูนแล้วว่ามีข่าวที่คนเขาบอกว่าผมจะเซอร์ห้าแสนก็มีคนในคนนี้พาคนมาต้ตา ม, า ม, ม, า ม, ามการทั้ที่เขาไม่ได้ถามเลยไม่ได้เสียเลยส่วนไม่ได้ถามนี่กันเอาเฉยๆห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ห่วงอย่างนี้ไอ้ยันนี้เขาไม่ได้หวง เอาเรื่องทำลายถ้าหวันจริงๆเขาต้องถามก่อนว่าเหตุผมันเป็นยังไงทำไมเียก็ื้อราคาห้าแสนแล้วคนอย่างมาผมกก็ตาห้าแสนที่นี่มาวมันหนึ่งคนบอกเราว่ามีค่าใช้จ่ายไปจาตัวไม่เกินร้อยห้าสิบบาทเน็ามากมีเรื่องส่วนตัวจริงๆบางเร่งก็ไม่ได้จ่ายเลยบางเรื่งจะจ่ายมากบางเร่องจ่ายน้อยขึ้นเรื่อเป็นปี เดือนหนึ่งไม่เกินหนห้าสิบบาทเพ่ว่าไอ้ ก, การที่จะซื้อรถข่าวนั้นจะเป็นประวติคนที่เขาตั้งบริษัทก็นเขานั่งคุยอยู่ด้วยถ้ามาเรถขนาดนี้มันขายห้าแสนแน่ครับราคามันต้อง่อรล้านบาทถ้าเสนอห้า0สนไม่มมเอาเลยแต่เขาก็แกล้งบรกงเวลานิดหึ่งว่าขอหาโอกาสไปศึกษาห้างช่วงก่อนเื่วงผมก็ต่อรถขายแบบนี้นือกัน ท่า น, นเดินสายเขาตอนน่อแล้วขายบนนารถบนสายชนบท น, นี่เส้นยาท่านว่าจะให้ข่าวกันภายในจิตมันเพราไม่ทันย่าถึงจิตวันเพาวันนี้สามนนั่นวียงทอมันแล้วบพาว่าเลาพ่อครับไม่ไหวแล้วรถที่เลถูกตัดเลยถูกสวนว่าไปว่ามาอ่ารถที่ต่อไว้แล้ววันแล้วกันนลยเขารับ รถนั้นที่จะทำได้ก็ต้องแปดเดือนเพราะที่ต่อไปแล้วมีราคาสองล้านมีความจริงที่คิดยังไม่ทันจะจบลงแล้วเมื่อกู้จะเขาแล่ไปลองสอบถามกำลังใจของคนเมื่ออยาซื้อรถขนาดนี้ที่ราคามันสองล้านบาทก็ใคร5ห้าแสนที่มีใครช่วยเีลือไหมก็มีคนหลายคนตั้งใจช่วยจะบริจาคเป็นเดินๆเนขาก็คิดว่เออเขาก็ดีเขาวางดีต่อเรา แต่ในใจเขาคงคิดเลยว่าถ้าหากว่ารายนั้นมาตกลงจริงๆเขาจะให้มันใส่ขายลถคันนั้นแหละเขาซื้ อ, อไปซะเมื่อเขาก็บอกว่าถ้าเขาตกหลงจริงๆเขาจะซื้ อ, อไปมาถึงเวลาจะใช้เขายั้งคยืนใช้ตัวกราไอ้เรื่องนี้ซึ่งไ้รายที่เป็นคนโตก็คนนั้นมันไม่หมือนเวลาที่ผมมีรถต่อจะได้วัดสองคันไม่คิของหร อ, อก เขาให้คยืนมาเพื่อจะไปช่วยทรงเคาะคนยากจนเทา่านเ้เองเขาไมา่จอดไว้เพราะว่าเวลาไปไหนที่แล้วแล้วใหม่ขบวนมันใหญ่เกนไปที่ผมก็ไม่อยากจะไปฝายแบบนั้นจะไปไหนที่โอ้โหคนคนนั้นคนค น, นี้เอยากจะไปไม น, น้อยเพราะเวลาจับพันขันดน่นถ้าไปขบวนใหญ่แล้ต้องตั้งค่ามากไม่ใช่เบืวคนแต่เกรงว่างานมันจะไม่ทัน เวลานี้ทหารทุกหนก็อยากจะพึ่งหลวงพ่อกันทุกจุดมาหาเองบ้างสองจดหมายมาบ้างกินเงินซื้อมาขออะไรตะขออะไรบ้างเขก็ส่งไปแล้วก็รับปากวก่าจะไปะเยื่ยมทุกจุดโในการไปรเยื่ยมเป็นขบวนใหญ่แบบนั้นต้องไปตั้งทาา ม, มาเมื่อท่านพุฒมีจิตศรัทธามีความเมตตาให้าหาหทานเไว้ใจว่าจะพูดปไปสองามองค์กันั้น ยากจะไปะมรัยก็ไปได้ทันทีตัวเองภาสเงินส่วนตัวก็ไม่มีนี่จะมาดูเชื่อทะเบียนได้ว่าของคนอื่นเขาเขาออกต่างกันรถเก่าคันรถใหม่คันเขาไม่ตากวนมาให้่ว่าถ้าเราเชื่อคนยากคนจนอะไรก็จะไปได้สบัยสมายเท่านั้นไอ้รถห้าแสงคันนั้นเดี๋ยวเขาตกตรงจริงๆแล้วก็ไม่จะชี่ผมแล้วก็มาเชือเงินผมผมไม่มีเงิน วันนี้เราท่านอย่างไรไม่ว่าท่าเฉ่นนั้นถ้านกล่าวกันไปจะเมือก็บคนผ่านในสมัยที่พระเจ้ากลายมากระทำนี้ถ้ามู้อารมณอย่างนี้แล้วก็ละออกห่างดีกว่าแต่คำไั้กลับตัวกับใจที่ได้เราก็วางตอนนั้นเองแล้วก็ตารมเสียไม่สนใจตารมของเขานั่นแหละเป็นการดี เนั้นว่าพระบาลีที่องสมเร็จพระจุานี้รงตรัสมีประโยชน์มากท่าะหลายคนยึดถือเขาพูดคำองสาเร็จพระพุทธมีแต่พลานว่าถ้าเราได้เพื่อนที่ดีเราควรอยู่ร่วมกับเพื่อนถ้าเพื่อนเลวเราก็ไม่ควรอยู่เพรามันจะพาเราไปเลวด้วยเราอยู่กับพระเพพลคนเดียวดีกว่า <c oughs> เพ ร, า, ร, ร า, านั้บบนว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัพุทธเจ้าเป็นประธานจตุพันธุสุห้าร้อยรูก็ตั้งอยู่ในอนาคตคนที่ดีสำหรับพระที่ท่านมีจริงทน่ะไม่ยากเลยมาองค์สำหรับพูะผู้มีพา้าเ จ, จ้ากราบเอทา่านมีท่านก็ได้สมหรับอนาคตคนสนหรับพระนอนไม่ได้โอกาสจะไกาบคนออก์สมเด็จพระบรมมหนรา ว, ว่าเวลานี้ตะกูนใหญ่ๆม <year> <c Clerk |nospeech|> ีตระกูลของนางดิบ <c busy> ินิกาเศรษฐีเป็นต้นให้มาส่งข่าวไปออกพระองค์ระทศพลขอกราบข้าระองคเจ้ากราบโนะองค่เวลานี้พระอริยเจ้าประมาณห้ากดพรยเจ้าประมาณห้ากอดนี่เป็น่าว่าท่านั้นมีพระนางิบินกาเศรษฐีกำลังมีป่าขาเมาสีตาเป็นต้น หวังการสละไปเขาเอง เ, เ, เขาหมดปทัททสกุลเพาาาื่อไปตรวจเขาต้องหลายเหล่านั้นอาอาเ่าพระพุทธเจา้าขอรรพนาองสงบหั้งสองันเมตโตสูงเคราะกมาพระอริยะสาวชนหลายเหล่านั้นได้ตูวจพระพุทธเจ้าว่าไปว่ามาดูเวลานาฬิกาบอกวันห ม, มดหมดไปแล้วสำหรับฤกษ์ก็ขอยยืดไปดึกเีย ขอความสุขสวัสดีพระพันลักษงคลสมบูรณ์ผลผจงมีแต่บั่งผูรับอังทุกท่านสวัสดี